ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเขาก็หลับไปและปรากฏว่าชัยยันก็ดีเชิดาก็ดีก็พลอยหลับสนิทตลอดลุ่งไปด้วยโดยไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยเพราะไม่มีใครปลุกเมื่อเชิดาชา ย, ยันและดารินตื่นขึ้นก็เป็นเวลาที่แงซายได้เกิดกําลังช่วยกันหุงหาแล้วข้าวกําลังเดือขดขณะนั้นมันเป็นเวลาหกนาฬิกาตรงหมอกปกคลุมทึบไปทุกขนแห่งมองเห็นอะไรได้รางๆในระยะไม่เกิน 3- าสี่เมตร ระหว่างที่เชษฐาและชายยานกำลังซักถ า, ถามถึงเวรยามของการและการด้วยความงงงันร่างเปลี่ยวของพรานใหญ่ก็โผล่หน้าปากท่ามเข้ามาหลับสบายดีไหมครับเมื่อคืนเสียงทักเข้าห้าดังมาจากใบหน้าอันยิ้มระไม้นั้นมันจะสบายเกินไปเนอะสิตื่นขึ้นมาจะรับยามต่อจากคุณก็ปรากฏว่าแงซายหุ่ข้าวแล้วดูนาฬิกา6โมงเช้าพอดี ไปยังไงมายังไงกันนี่ทำไมคุณไม่ปลุกผมขึ้นรับยามต่อจากคุณตามที่ตกลงกันไว้ชายยันร้องออกมาพร้อมกับกระโดดลุกขึ้นยืนบิดกายดัดตนอย่างเมื่อยล้าผมก็เหมือนกันเผลอหลับไปไม่รู้เรื่องไปเลยนอนใจว่าชา ย, ยันคงจะปลุกผมต่อผัดเวรแต่แล้วยังไงมาตื่นพร้อมกันอีตอนสว่างนี่ก็ไม่รู้เช่อากาวอย่า ง, งงงมาอีกคนหนึ่ง รถพีนหัวรอบเบาๆวางไรเฟิลพิงผนังหินไว้ผมไม่ได้ปลูกคุณชายยานขึ้นเองแหละครับคุณชายยานเลยไม่ได้ปลุกคุณชยัยต่อหนึ่งแปลว่าคุณเฝ้ายามคนเดียวตลอดลุ่งเลยเหลรือเปล่าหรอกครับผมตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นดูแลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นอนเหมือนกันวางใจว่าที่นี่ปลอดภัยดีและเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องนั่งเฝ้ายามไม่เสียเวลาให้พวกเรานอนเอาแรงกันไว้มากๆดีกว่า เพราะวันนี้เราจะบุกกันหนักกว่าเมื่อวานมีนาละ่ะชายันคลางลั่นแล้วก็หัวเราะออกมาหันเข้าหาน้ําพึ่งในกระบอกดินใส่ถ้วยพลาสติกเทกรอกใส่ปากเป็นอาหารมื้อแรกของวนันเล่นเอาตกใจทีเดียวเมื่อวานปีนเขากันเสียย่ามแย่เพลียไปหมดเลยหลับเป็นตายคุณไม่ปลูกผมก็ไม่รู้ตัวเพราะนึกอยู่ว่ายังไงเสียคุณก็ต้องปลูกตามหน้าที่อยู่แล้วไม่อยากรู้ว่าเมื่อคืนนี้เราไม่มียามกันเลย แต่ผมว่าแบบนี้บ่อยๆถ้ามันจะไม่เหมาะนาะอย่างน้อยที่สุดตอนนั้นควรจะมีพวกเราตื่นเป็นยามอยู่สักคนหลับกันหมดเกิดอะไรขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วไม่เป็นไรหรอกครับมนแล้วแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์แหล่งพักนอนของเราตรงไหนที่ผมเห็นว่าจะไม่มีอันตรายอะไรเราก็ควรจะนอนกันได้ทุกคนโดยไม่ต้องเฝ้ายามไม่เสียแรงงานแหล่งไหนมันจาเป็นก็ต้องเฝ้ากันอย่างที่แล้ว สำหรับผมเกิดหรือแง่ทายหลับหรือไม่หลับก็มีผลเท่ากันนั่นแหละครับคือสัญชาตญาณป่าสอนให้เราต้องนอนไวเสมอตามปกติแล้วสำหรับพวกผมเวลาออกป่าไม่เคยจำเป็นต้องจัดเวรยามเฝ้ากันเลยถึงเวลานอนเราทุกคนก็นอนพร้อมกันหมดยกเว้นในกรณีที่เราตามล่าพวกเสือกินคนหรือว่าช้างเจ้าเรเท่านั้นที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษหน่อยคุณตื่นนานแล้วหรือเวน้าคณะเดินทางถาม ยื่นถ้วยไปขอน้ำพึ่งจากชายยานมาจิบบ้างก็ก่อนหน้าพวกคุณชายสักครึ่งชั่วโมงนี่เองครับนึกว่าจะออกไปหาเรียงผาสักตัวแต่หมดหวังหมอกลงหนักเหลือเกินมองอะไรไม่เห็นเลยเกือบเดินไปเหยียบมันโดยไม่รู้ตัวยิงไม่ทันแต่ก็ไม่เสียเที่ยวนักได้ไอ้นี่มาตัวหนึ่งว่าแล้วเขาก็ชี้มือไปทางเบื้องหลังของเกิดผู้กําลังลินน้ําข้าวใส่กระบอกอยู่ขณะนายจ้างหันไปเห็นก้าทานออกมาเบาๆ มันคือเต่าภูเขาตัวขนาดชามอ่างย่อมๆตัวหนึ่งนอนหงายท้องเอาตีนทั้งสตะกุยตะกายอากาศอยู่พยายามจะพิกตัวควา่าลักษณะของมันเหมือนเต่าดำเพียงแต่ส่วนหางที่ยาวออกมาเป็นพิเศษเท่านั้นชายยานเห็นเข้าก็กระโดดเข้าไปดูด้วยความสนใจเต่าเลอได้ไปได้มาอย่างไงกันนี่เกิดจับได้ที่ริมบึงตรงที่เราผ่านมาเมื่อวานนี้ตอนช้ามืด ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยกินดีเรอทำไงกินกันนี่เกิดเงยหน้าขึ้นหัวเราะตอบแทนมาว่าโทเจ้านายครับดีกว่าเนื้อหมูเสียอีกแล่เนื้อออกคลุกกระพริกขี้หนูเกลือห่อใบกล้วยปิ้งโอ้ยอร่อยจะเอาเนื้อมันออกได้ท่าไหนโยนเผาเข้าไปในกองไฟทั้งเป็นๆนั่นแหละครับเจ้านายพอมันตายเนื้อระอุ ก, ก็เลาะ ก, กระดองออกง่ายนิดเดียว เดี๋ยวเกิดจะทำให้ดูชายยานสูดปากน้ำลายสอขึ้นมาทันทีดารินเดินตรงเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่เต่าตัวนั้นมองหน้าพรานใหญ่กับเกิดสลับกันไปมาเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นเรียบๆว่าเรายังไม่ถึงกับตายอดตายอยากกันนักไม่ใช่หรือนพรานอย่างน้อยก็มีข้าและเนื้อแห้งพอประทางไปได้อีกหลายมือ้อเพราะฉะนั้นอย่าเป็นมนุษย์สมัยหินกันก่นกอนเวลาอันควรเลย ว่าแล้วหล่อนก็กระดิกนิ้วเรียกแง่ทรายเข้ามาออกคําสั่งหน้าตาเฉยแง่ทรายอุ้มเอเต่า ต, ตัวนี้ไปปล่อยไว้ในที่ปลอดภัยสําหรับมันที่สุดเกิดอ้าปากค้างชายยันร้องโวยวายรั่นออกมาส่วนแง่ทรายปาดตรงเข้ามาแต่แล้วก็ยืนชะงักยิ้มแห้งๆดีรออยู่ดารินออกคําสั่งเฉียบขาดอีกครั้งพร้อมกับตกที่หลังโดยแรงคนใช้หนุ่มชาวดวงจึงก้มลงอุ้มเต่าตัวนั้นเดินหายออกไป ท่ามกลางเสียงบน่นพามอย่างหัวเสียงของชายยันนี่เป็นสียอย่างนี้มันจะไปกันไม่ได้ตลอดรอดฟังก็เพราะอีแบบนี้แหละเข้าสาไปหาของดีๆมาให้กินขัดขวางเสียแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยจ้องตาเพื่อนชายแล้วหัวเราะหึๆในลาคออย่าทำมินหินชาติที่มากนักเลยชายยันหล่อนพูดตำตำเอาไว้ถึงวาระสุดท้ายจะอดตายกันเสียก่อนแล้วฉันจะไม่ขัดขวางเลย แม้ว่าเธอจะกินเนื้อคนด้วยกันถามจริงๆเธอเธอกินมันเข้าไปลงเหรอโดยการดูมันถูกเผาทั้งเป็นดิ้นกระเดากระเดาอยู่ในกองไฟจนกว่าจะขาดใจแล้วก็ถูกเลาะเอากระดองออกอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ควรจะกินเลยแล้วหล่อนก็หันไปทางเกิดกับพระพินผู้มีหน้าพิกลพิกลอยกอดอกถามว่าทั้งสองคนนี้เคยจับเต่ามะเผากินแบบนี้มากี่ตัวแล้วเกิดยิ้มแห้ง ชาเรืองดูพลานใหญ่แล้วตอบอ้อๆแฮะแก็หลายตัวแล้วครับมันอร่อยจริงๆใครเป็นคนจับใครเป็นคนเผาหรือว่าช่วยกันผมเป็นคนทําทั้งหมดนั่นแหละครับนายหญิงแต่พลานใหญ่ก็กินด้วยเพียงแต่ว่าไม่เคยทําเองแล้วเขาเคยเป็นคนออกคําสั่งให้เราไปหาเต่ามากินบ้างมั้ยฮะบางทีก็เคยเหมือนกันแหละครับ จำฉันพูดให้ดีนะตกนรกถูกเผาทั้งเป็นในกระทะทองแดงคนร้อยปีต่อเต่าหนึ่งตัวทั้งบ่าวทั้งนาวนั่นแหละอ๋อมิน่าล่ะสงสัยมานานแล้วว่าทั้งสองคนนี้ทำไมหน้าจึงเหมือนเต่าคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็จะจับเขี้ยนให้หลังลายทีเดียวพระพินภัยหวานกืนน้ำลายลงคอเดินพระหนีออกไปนอกเพิงผา ส่วนเกิดทำคอโยนหลับตาคลางหญิงพอหล่อนหันขวักมาทางชายยันผู้ยืนหน้ามุ่อยู่อดีตนายทหารปืนใหญ่ก็รีบพระหนี่เดินตามหลังลพินออกไปโดยเร็วหม่อมราชวงสาวคนสวยจึงหันมาทางพี่ชายผู้เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายเชษฐารีบยกมือขึ้นโบกร้องออกมาโดยเร็วพี่เปล่านะน้อยอย่ามาแช่งพี่พี่ไม่ได้ออกความเห็นอะไรสักหน่อยว่าแล้วพี่ชายก็เดินตามออกไปอีกคนหนึ่ง ทั้งสมชายมายืนกระพริบตาปริบๆมองหน้ากันนอกปากถ้ำแล้วชายยันกับเชษฐาก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมางอาหายส่วนระพินหัวเราะไม่สนิทนักบ่นอ่อยๆว่าผมเสียท่าจริงๆลืมนึกถึงคุณหญิงไปเลยถูกว่าเสียเจ็บคราวหลังทําให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนสิขี้คลานจะเคี้ยวเพลินไปเท่านั้นแล้วค่อยบอกทีหลังเชษฐาพูดพรางหัวเราะพรางชายยันโครงหัว ไอเด็กคนนี้มันยุ่งจริงๆพะผ่าสิปากจัดก็เท่านั้นนึกว่าจะได้กินเต่าเสียหน่อยนอยขัดจังหวะเสียได้เลยอดเลยก็น่าเห็นใจเธอหรอกครับผู้หญิงทุกคนคงไม่อยากเห็นใครฆ่าสัตว์ประเภทนี้แล้ว่าอันที่จริงคนในเมืองเขาก็ไม่นิยมกินเต่ากันแต่ชาวป่าชอบมากการจะกินมันได้แต่ละครั้งก็ทุรแกเแต็มทนดูที่เรศหรือเกินเพราะต้องเผาหรือไม่ก็ต้มทั้งเป็น เธอสั่งให้ปล่อยมันไปก็ดีเหมือนกันผมคิดแต่เพียงว่าไหนๆก็มาใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าแล้วก็อยากจะหาอาหารแปลกๆมาให้ทานตามภาษาชาวป่าเท่านั้นแล้วเมื่อตอนหลงป่าอยู่ด้วยกันคุณหาอะไรให้แม่เจ้าปรคุณกินชายันถามพรานหายหุเรอบเบาๆโธ่ทั้งๆที่อดจะแย่อยู่แล้วผมจะยิงข้างเธอยังไม่ยอมเลยครับอาหารสองสมื้อเป็นพวกไก่ป่าและเก้ง โชคดีเหลือเกินที่เธอมีปืนสั้นติดตัวอยู่พอได้อาศัยหาสัตว์พวกนั้นกินได้ก็คุณนี่นะชัยยันว่าเป็นผมแล้วก็หาเขียดหรือไม่ก็กิ้งกาให้กินเสียให้เข็ดไม่ยอมกินก็อดเองจะได้รู้เสียบ้างรักจะเดินป่ามามัวเลือกกินอยู่ได้ยังไงก่อนจะมาก็เตือนกันแล้วเห็นรับป่าแข็งขันแต่แล้วก็มาคอยขวางคอบินทบาเสียเรื่อยทีแรกก็พยารอัวหนึ่งละต่อมาก็ลิ้นอีกตัว คราวนี้ปล่อยเต่าไปอีกตัวจะลองกินดูมั่งก็เลยไม่ได้กินผู้หญิงเป็นเสียอย่างนี้คราวหลังเอาอย่างเช่ถาว่าดีกว่าสัตว์อะไรแปลกๆปที่เราจะกินกันทำอย่าให้น้อยเห็นเสียแล้วให้กินด้วยอยากดูเหมือนกัน ร, รู้ทีหลังจะทำหน้ายัางไงเห็นจะไม่สาเร็จหรอกครับคุณหญิงระวังจะตายเรื่องอาหารการกินเห็นอะไรผิดท่าไม่ยอมทานเสีย ด, ดื้ อ, อเรื่องหลอกให้ทานคงจะยากไม่ต้องห่วงหรอก ผู้เป็นพี่ชายบอกหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยบอกยิ้มยิ้มลำบากกันดานเข้าจริงๆในหนทางข้างหน้าเย้่น้อยก็คงจะต้องกินเองไม่ว่าอะไรตอนนี้เลือกกินได้ก็ให้เขาเลือกไปก่อนนั่นไปยืนนินทาอะไรกันอยู่ไม่ทราบเสียดายเต่าตัวนั้นกันนักเหรอเสียงแหลมใสตะโกนมาจากเบื้องหลังทุกคนหันขวับไปก็เห็นเจ้าของเสียงยืนกอดอกอยู่หน้าเพลิงถ้า ชายยันหันไปทำหน้าโยนตะโกนตอบไปว่าไม่ได้นินทาหรอกกำลังช่วยกันสํารวมจิตสวดมนต์อธิษฐานแผ่ส่วนกุศลไปให้เต่าตัวนั้นเวลาตายจะได้ไม่ต้องตกกระทะทองแดงเอาแค่กระทะดินก็ยังดีร้อนน้อยหน่อยข้าวสุกแล้วจ้าค่าเชิญมากินได้หล่อนบอกแล้วก็ปลุกหายเข้าไปทั้งสามชวนกันเดินกลับเข้าไปเพลิงหินและรับประทานอาหารเช้าซึ่งไม่ผิดอะไรไปจากที่ผ่านมาแล้วเมื่อเย็ยนวานนี้ พอเสร็จก็ดับไฟเก็บข้าวของพร้อมที่จะออกเดินทางกันได้ในทันทีทั้งที่เหมากยังบดบังอยู่ทั่วไปอากาศตอนเช้ากำลังเย็นสดชื่นประกอบกับที่ต่างได้รับการพักผ่อนรับนอนมาอย่างเต็มอิ่มเมื่อคืนทำให้ทุกคนมีกำลังกระปี้กระเป๋าขึ้นนาฬิกาก็มือของเชษฐาชี้บอกเวลา 7.00 นอเศขณะที่ทั้งหมดพระออกจากที่พักแรมพยายามเดินเรียงเดี่ยวตามหลังผมไว้ จอมพรานกำชับคณะนายจ้างของเขาภายหลังจากผ่านแอ่งน้ำหน้าปากถ้ำมาอย่าแยกเดินห่างผิดเส้นทางออกไปบริเวณนี้เต็มไปด้วยเหวและหน้าผาชันหมอกจัดเรายังมองอะไรไม่เห็นชัดอาจพลาดตกลงไปได้เรากำลังตัดทางลงแอ่งกระทะข้างล่างทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเที่ยงจึงจะลงพ้นจากเขาใหญ่รูปนี้ ในม่านหมอกที่มองเห็นภูมิประเทศรอบด้านภายในระยะไม่เกินสามสี่วาทุกคนเดินเรียงแถวเดี่ยวตามหลังการนำของรถหินไปอย่างระมัดระวังเหมือนงมไปในความมืดที่ไม่เห็นอนาคตรหรือจุดหมายปลายทางเบื้องหน้าอย่างไรก็ตามผ่านใหญ่ย่อมเปรียบเสมือนเรือนำร่องเขารู้จักเหวทุกเหวหน้าผาลึกชันทุกตนหรือก้อนหินทุกก้อนก็ว่าได้พื้นหินสูงตามขรุขระที่ผ่านไปนั้น จับเขียวไปด้วยตะไครน้ำและเปียกชุ่มด้วยน้ำค้างทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการถไลลื่นในระหว่างผ่านหุเพวเพราะถ้าพลาดนิดเดียวก็หมายถึงมัจุราชอ้าแขนรับอยู่เบื้องร่างหนึ่งชั่วโมงเต็มๆผ่านไปของการปีนป่ายพยุงตัวอย่างชนิดระวังตัวแจทั้งหมดรู้สึกว่าบ่ายหน้าลงต่ำทุกขณะแต่ยังไม่สามารถสังเกตทิศทางได้อยู่ตามเดิมหมอกจางลงบ้างเล็กน้อย รอบด้านเห็นแต่หินผาโคตรแก่งที่เขียวชฉอุ่มไปด้วยพวกเฟิร์นกล้วยไม้และว่านการเดินไม่สามารถจะไปได้เร็วนักเพราะต้องใช้ความระวังกันอย่างเต็มที่ขณะที่ผ่านบริเวณหน้าผาตัดแห่งหนึ่งเชิดขาก้าวเหยียบหินพลาดถลายลื่นเสียรักทลาจะหลุดพ้นหน้าผาลงไปโชคดีเหลือเกินที่แง่ายผู้เดินคุมอยู่ท้ายขบวนเพ่นเข้าคว้าแขนไวแต่เพราะที่ราชันทั้งสองต่างถลายลื่นบุดหวิดจะตกลงไปด้วยกัน ทว่ามืออันเหนียวแน่นของคนใช้ชาวดงข้างหนึ่งเหนียวรากไม้ไว้ได้โดยมีมืออีกมือหนึ่งมัดเป็นเปราะจับอยู่กับแขนของหัวหน้าคณะเดินทางแลรพินกระโดดตามลงไปเป็นคนที่สามยึดแขนแง่าสายไว้อีกทอดหนึ่งก่อนที่รากไม้อันนั้นจะถอนรากเพราะทานน้ำหนักไม่ไหวต่อไปก็เกิดซึ่งยันตัวไว้กับแง่หินยื่นสายสะพายปืนไปให้พรานใหญ่พยุงตัวติดคากันอยู่เช่นนั้นอย่างน่าหวาดเสียว ชายยันกับดาลินมาได้สติภายหลังช่วยกันเอาเชือกข้างหนึ่งมัดแน่นหนาะติดกับโคนต้นไม้แล้วโยนปลายข้างหนึ่งลงมาให้ทั้งสคนยังใช้เชือกเส้นนั้นเป็นเครื่องกู้สถานการณ์ร้ายกลับคืนมาได้อย่างทุรักทุเลกลางความใจหายใจคว่ําดาลินหน้าซีดเผือดหลอนตื่นเต้นตกใจยิ่งกว่าทุกคนเข้ามาจับแขนพี่ชายไว้แน่นแต่เช็ดถาหัวเราะภายหลังจากตายกลับขึ้นบนไหล่ผ้ายังปลอดภัยอีกครั้ง ถ้าไม่ได้มือตุ๊กแกของนายฉันคงจบไปแล้วเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงห้าวกังวานตบไหล่แงาสายหนักหน่วงตาเป็นประกายแล้วก็หันมาทางพลานใหญ่ขอโทษทีที่ผมขาดความระมัดระวังไปหน่อยมัวแต่หันไปเตือนน้อยตัวเองกลับลื่นทีมของพวกเราว่องไวและสติดีมากสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกันได้ดีทุกคนถ้าคนหนึ่งคนใดเอาแต่ตกใจผีพรามเข้าช่วยโดยไม่มีหลัก ไม่ใครก็ใครคงจะหล่นลงไปสักคนหรือไม่ก็ทั้งคณะนั่นแหละขอบคุณสวรรค์สำหรับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผมก็มัวแต่เดินนำอยู่ข้างหน้าแล้วพีนบอกเบาๆพร้อมกับถอนใจเฮือกออกมาเขาเองก็จิตใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทันทีที่หันความมาเห็นร่างของเชษฐาและแงสายถลายเลื่อนกลิ้งลงไปด้วยกันมารู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงคุณหญิงร้องน้อยใจไม่มีเหลือแล้วล่ะคะ่ะตอนนั้นทาอะไรไม่ถูกเลย ดาดินพูดเสียงสั่นระรัวมีอาการเหมือนจะเป็นลมแต่เธอยังดีกว่าฉันเพราะถึงจะทำอะไรไม่ถูกเธอก็ยังสติดีพอที่จะร้องเตือนให้ฉันโยนเชือกลงไปฉันสี่มัวแต่ตะลึงตัวแข็งไปหมดชั ย, ยันพูดต่ำมพร้อมกับโครงหัวสบุดพ ร, รมองลงไปอย่างเหยวรึกไม่เห็นก้นอย่างสยองใจแล้วหันมาทางแง่ทรายแกเป็นคนกล้าหาและสติดีมากแง่ทราย หนุ่มชาวดงนักพเนจรสีหน้าเฉยๆเป็นปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้พรานใหญ่ยึดแขนไว้อีกทีผมกับเจ้านายก็ล่วงลงไปแล้วเพราะรากไม้ที่ผมเกาะกำลังจะถอนและพินยักไกล่ถ้าไม่ได้สายสะพายปืนของเกิดที่ส่งมาให้ฉันก็กำลังจะถลายตามลงไปด้วยเพราะหินที่จับไว้ลื่นเหลือเกินเกิดหัวเราะถ้าไม่ได้สายเชือกที่นายทหารปืนใหญ่โยนลงมาให้เกิด ก็กำลังจะขมาหน้าลงไปเหมือนกันเพราะที่มันลาชันยืนไม่ถนัดชายยันผิวปากยาวหันไปทางดารินก็ถ้าไม่ได้เสียงร้องเตือนของน้อยฉันก็คงส่งเชือกลงไปไม่ทนันการเพราะมแต่ตะลึงอยู่ทุกคนมองหน้ากันเองไปมาแล้วหัวเราะออกมาพร้อมๆกันภายหลังนาทีวิกฤตอันอกสันขวัญแขวนผ่านไปทั้งหคนพวกเรานั่นแหละถ้าคนใดคนหนึ่งทางานพลาดหรือไม่ประสานกันแม้แต่นิดเดียว ฉันก็เสร็จไปแล้วขอขอบใจทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่ทายผู้ที่ช่วยฉันไว้เป็นคนแรกเชิดฐากล่าวอย่างพะทับใจเหตุการณ์ในครั้งนี้มันคงผนึกอยู่ในความทรงจําของเขาช่วยชีวิตมันแสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวในระหว่างหชีวิตที่เสี่ยงภัยร่วมกันชนิดเคียงบ่าเคียงไหล่แง่สายก็ดีระพินก็ดีหรือเกิดก็ดีล้วนพิสูจน์ชัดถึงความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวและการเสียสละทัดเทียมกัน ควรแกการบุกบั่นฝ่ า, ฝาฟันอันตรายร่วมกันต่อไปภายหน้าสมคำมั่นสัญญาในข้อที่ว่าต่างจะฝากชีวิตไว้ให้กันและกันและโดยไม่บกพร่องยิ่งนานไปเขายิ่งบังเกิดความแน่ใจแน่นแฟ้นขึ้นเป็นลำดับและเมื่อลงได้แน่ใจแล้วเช่นนี้สุภาพบุรุษในราชนิกูลผู้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเสี่ยงมรดยูก็เต็มไปด้วยความแช่มชื่นปลอดโปร่งใจเขาไม่กังวลอีกแล้ว สำหรับมหาพิบัติภัยที่อาจมีรออยู่ในอนาคตข้างหน้าลงได้พรานนำทางและขนใช้พูุก้าหารมั่นคงและซื่อสัตย์เช่นนั้นหนทางต่อไปเริ่มไต่ขึ้นสูงและเต็มไปด้วยอันตรายเพิ่มขึ้นเพราะต้องค่อยๆปีนป่ายไปตามเชือน่อนแก่งหินท่ามกลางกระแสลมที่โกรกแรงรอบได้เป็นอากาศอันเวิงว้างมลตยูกวักมือไหวๆ อ, อยู่เบื้องร่างรอจังหวะพลาดของแต่ละคน ไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นหลักประกันให้ได้นอกจากมือและเท้าอันเหนียวแน่นมั่นคงเท่านั้นมีทางไหนที่เลี่ยงหนะ้าผาตอนนี้เสียได้ไหมดาดินเอ่ยถามอย่างหนักใจเมื่อต่างขึ้นมาพาักเหนื่อยอยู่บนไหล่ตอนหนึ่งอนาเขตกว้างเพียงไม่เกินสองเมตรเบื้องบนสูงขึ้นไปเป็นช่องชั้นส่วนเบื้องล่างริปริวเห็นโขดหินตะเกตะ ก, กะมองแ้วหวามใจแล้วิมเม้มปากสั่นหน้าช้ า, ชา เห็นจะไม่มีทางเลี่ยงหรอกครับเราจะต้องปีนหน้าผาตอนนี้ขึ้นไปให้ได้ทําไม่งั้นก็เสียเวลาอ้อมกันอีกสองวันเต็มๆทีเดียวผ่านตอนนี้ไปได้ก็สบายแล้วทุกคนเหงื่อชุ่มโชกแม้อากาศจะเยือกเย็นชื้นฉ่ำตลอดเวลาที่ต่ายเขาไม่มีใครพูดคำใดกันเลยนอกจากคอยระมัดระวังตัวแจคณะนายจ้างต่างรู้ตัวได้ดีว่ากาลังตายอยู่บนจมูกของมัจุราช ทิพตาใดพิปันธหนึ่งเท่านั้นหมายถึงอวสานแห่งชีวิตระพินเกิดและแง่ทา ย, ายแยกกันออกขอให้การดู แ, รแลระมัดระวังนายจ้างคนละคู่ทั้งสามเป็นนักไต่ข่าวที่ชํานาญดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องพวงห่วงถึงกันและกันนอกจากคอยประครับประครองนายจ้างเท่านั้นแล้วผ่านใหญ่ก็หันไปจ้องหน้าคณะนายจ้างของเขาอย่างกังวลกล่าวถามขึ้นเป็นการอย่างน้ําเสียงเป็นยังไงครับพอไหวไหมอีกช่วงเดียวเท่านั้น ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปตามอนุชาที่เทือกขาวพระศิวะชา ย, ยันพร่องออกมาพร้อมกับหัวร่อห้าวห้าเชิฐาก้มศรีษรษะลงบอกเสียงหนักแน่นว่านำต่อไประพินต่อให้มันยิ่งกว่านี้สักเพียงไหนคุณไปได้พวกเราก็ไปได้สายตาของจอมพรานเปลี่ยนไปจับหยุดที่ดาลินอย่างเป็นห่วงหล่อนปาดแขนเสื้อเช็ดเหงือ่ออันเกาะพราวอยู่บนใบหน้า เสื้อและกางเกงราศัตร์ถูกแง่หินคมและการไถ่คูดในระหว่างปีนป่ายขาดยับเยินและมีเลือดซิบซึมอยู่หล่อนทรหดเท่ากับอกสามซอกอย่างน่าสลระเริญแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะเขาอดที่จะสมเพศไม่ได้แล้วก็ยิ่งเห็นใจเมื่อเห็นนักมานุษยวิทยาคนสวยพยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวผู้สั้นๆไม่ต้องห่วงฉันหรอกรปินถอนใจเบาๆภายหลังจากพักเหนื่อยอีกครู่ใหญ่แล้ว เขาก็เอาเชือกมัดเอวตนเองไว้เป็นอันดับแรกอย่างมั่นคงเพื่อความปลอดภัยเราต้องผูกติดกันไว้ทั้งหคนระหว่างที่ตายขึ้นไปใครคนใดคนหนึ่งพลาดอีกห้าคนยังจะพอช่วยยึดไว้ได้ดีกว่าที่จะแยกกันเป็นอิสระถ้าพราะถ้าพลาดพลั้งอย่างไรจะไม่มีโอกาสช่วยกันได้เลยภายหลังจะคิดอยู่เพียงอึดใจเดียวเชษฐาก็เข้าใจและเห็นพ้องด้วยเขามัดเอวตนเองเป็นคนที่สอง ทิ้งระยะห่างจากพระพินโดยสายเชือกที่ยาวประมาณสเมตรคนต่อไปคือดารินถัดไปก็ชายยันเกิดและแง่สายเป็นคนสุดท้ายช่วงห่างของเชือกมีระยะเท่ากันการผูกตัวติดกันด้วยสายเชือกอันเดียวกันทั้งหคนพอจะสร้างความอบอุ่นใจให้ได้บ้างอย่างน้อยที่สุดถ้าไข่พลาดเข้าสักคนก็ยังติดอีกหลายหลายคนที่ช่วยยึดไว้เป็นสายโซ่และหลักประกันอันมั่นคงที่สุด ก็คือระพินผู้เป็นต้นเชือกไต่นําขึ้นไปเป็นคนแรกและแง่สายผู้เป็นปลายเชือกรั้งท้ายไร่เฟิลของทุกคนบัดนี้ถูกสะพายไว้กับไหลในท่าเฉียงมือและเท้าเป็นอิสระสําหรับทําหน้าที่ปีนป่ายอย่างเดียวเท่านั้นชะ ง, งอนแล้วชะ ง, งอนเล่าที่ต่างค่อยๆตายเรียงกันขึ้นไปเป็นหางอย่างเช่มช้าท่ามกลางลมบนที่พัดแรงโกรกกระหน่ามาแต่ละครั้งเหมือนจะพัดให้ดูดลงไปจากเหลี่ยมหินที่อาศัยเกาะพยุงตัวอยู่ ยามนีแ้แหละที่ต่างตระหนักถึงคุณค่าแห่งการร่วมชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยแท้จริงชีวิตทั้ง6รวมมาเป็นชีวิตเดียวน่าประหลาดใจในข้อที่ว่าเมื่อมีการป้องกันตะเตรียมกันอย่างไม่ประมาทเช่นนี้ทุกคนสามารถจะผ่านหน้าผาสูงชันบริเวณ น, นั้นขึ้นไปโดยไม่มีใครเสียจังหวะพลั้งพลาดลงเลยแม้แต่ดารินผู้ซึ่งทุกคนในคณะเป็นห่วงกังวลมากที่สุดเพียงแต่ว่าร่อนเหน็ดเหนื่อยอิดโรยมากกว่าทุกคนเท่านั้น เมื่อพ้นหน้าผาขึ้นมาถึงยอดไม้ใบหน้างามนั้นขาวเผื่อริมสีปากแห้งผากทุกคนถอนใจยาวอย่างร่องอกปลดสายเชือกที่ผูกโยงออกและลงนั่งพักหญิงสาวนอนฟุบลงกับพื้นหินพี่ชายเข้ามานั่งประคองและทุกคนก็เข้ามารายร้อมหล่อนฉันไม่เป็นอะไรหรอกหล่อนบอกขอบหอบปรับตาลงหน้ามือไปหน่อยเท่านั้นพักสักประเดี๋ยวก็คงหายคณะพักทั้งหมด มองดูร่อนอย่างรู้สึกเข็นใจยิ่งชายยันเอาผ้าช็นหน้าชุบน้ําในกระบอกจนโชกชุ่มแล้วส่งไปให้ร่อนเช็ดตามลำใบหน้าและลําคอแง่ทายลินน้ําผึ้งส่งมาให้จิบแต่หญิงสาวสั่นหน้าพึพามพำขอบรันดีหล่อนดื่มเข้าไปเกือบครึ่งแก้วใบหน้าอันซีดขาวเริ่มปรากฏสีเรือดขึ้นพยายามจะเบนศรีรษะออกจากการซบอยู่กับอกของพี่ชายผู้ประคับประคองอยู่แต่เชื่อถาดึงให้นอนลงกับตักพูดอย่างปราณี นอนลงชิดกรเถิดน้อยเรายังไม่รีบร้อนนักหรอกทุกคนก็เหนื่อยกันแทบขาดใจทั้งนั้นเราจะพักกันสักครู่น้องสาวฝืนยิ้มพยายามดึงตัวขึ้นนั่งจนได้ขาทั้งสองสั่นริกแทบจะเหยียดไม่ออกน้อยเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วค่ะพี่ใหญ่โปรดอย่าห่วงชายยันเอื้อมมือมาจับขาของหลอนไว้บีบให้เบาๆฉันเห็นเธอเหยียบหินพลาดสองครั้งใจหายหมดนึกว่าห้อยตองแต่งกลางวิหารสิแล้ว ข้อเท้าแผลงหรือเปล่าหล่อนสันศีรษะแววตาแม้จะอิดโรยแต่ก็เป็นประกายทรหดฮึดสู้สุดขีดไม่หรอกแค่เคล็ดนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็พอจะเดินต่อไปได้พรานใหญ่สุดตัวลงนั่งลงตรงหน้ามองดูในจ้างสาวผู้เกรงเกินรูปโฉมด้วยความสงสารและคนชมเชยน้ำใจเขารู้ตัวเองดีว่านับตั้งแต่เริ่มเข้าป่ามา การ น, นำคณะนายจ้างต่ายเขาในครั้งนี้เป็นทางมหาวิบาศกและเสี่ยงอันตรายที่สุดเหนือกว่าทุกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลทางกันดานในอนาคตข้างหน้านี่ก็เปรียบได้ด้วยแบบฝึกหัดขั้นต้นเท่านั้นอย่าว่าแต่คุณหญิงเลยครับพวกเราทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยก็ยังแทบย่ําแย่ไปเหมือนกันเขาเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนหล่อนมองตอบด้วยสายตารู้ทันหัวเราะเสียงปลาขอบคุณมาก ที่อุตส่าห์ให้กำลังใจฉันคนอื่นจะย่ำแย่สักขนาดไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สำหรับคุณนะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเดินขึ้นบันไดบ้านแค่สิบขั้นเท่านั้นแล้วก็คงจะวิ่งเขย่งเก่งก่อยขึ้นเขาวรงห้วยไปได้อีกสักยี่สิบสามสิบกิโลเมตรอย่างสบายแล้วผินหัวเราะสั่นศีสะช้าช้าโธ่ผมก็มนุษย์ปุตุชนธรรมดามเหมือนเหมือนคุณหญิงนั่นแหละครับทไมผมถึงจะไม่เหนื่อย ผ่านห น, น้าผาตอนนี้มาได้เราก็เบาตัวแล้วต่อไปนี้เดินลงเขาอย่างเดียวเท่านั้นสบายกว่าทีแรกมากทําไมไม่พาปีนเขาอีกสักสิบลูกล่ะความเหนื่อยบวกกับอารมณ์เดิมทําให้หล่อนเกเร ข, ขึ้นมาอีกพรานใหญ่ไม่ตอบนอกจากยิ้มยิ้มแต่พี่ชายหันไปรูปหลังน้องสาวบอกน้ําเสียงอินดูว่าอย่าไปประชดเขาออกจะกลมช้างแล้วเป็นเจอแน่แบบฝึกหัดในตอนนี้เพียงแค่ชั้นปฐมเท่านั้น ค่อยๆเรียนรู้ไปเถอะอีกหน่อยก็เคยชินไปเองเดี๋ยวนี้ก็เก่งขึ้นมากแล้วนับว่าเป็นโชคดีมากนะที่พวกเราให้รัพินนำออกเที่ยวราสตวรก่อนแล้วก็มีเหตุจำเป็นเฉพาะหน้าที่ต้องออกติดตามไอ้แหว่งชายยันเอ่อยขึ้นพร้อมกับเอ็นตัวรงนอนเหยียดยาวยังหมดแรงสิ่งต่างๆที่เรารเผชิญมามันเท่ากับเป็นการอุ่นเครื่องให้เกิดความเคยชินชนานาญในหนทางที่จะไปะเผชิญข้างหน้า เป็นการฝึกฝนในตัวไม่ว่าจะในด้านใดทั้งสิ้นต่อไปอะไรหนักมันก็จะได้กลายเป็นเวาวถ้าไม่คุ้นกับมันสิก่อนแบบนี้จู่ๆไปโดนเข้าคงจะแย่นึกว่าจะไปถึงหล่มช้างก็พออยู่ตัวแล้วพอจะต่อไปไหวไหมครับผมกะว่าเราจะทานอาหารเที่ยงกันที่ตีนดอยและนอนกันในดงกลางหุบแล้วพินหันไปพูดอย่างเสียงเบาๆกับเชฐิฐาตกลงหัวหน้าคณะเดินทางตอบง่าย พรานใหญ่ชมเรืองไปทางดารินแผ่วเสียงรงเป็นกระซิปผมเป็นห่วงคุณหญิงเท่านั้นแหละครับวันนี้รู้สึกว่าเธอจะเหนื่อยมากที่สุดถ้าอย่างไงแล้วเราพักทานอาหารเที่ยงกันเสียที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาหรือกันใหม่ดารินได้หินแววๆก็ร้องบอกมาว่าขอให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ใช่ตุ้มถ่วงของการเดินทางคณะนี้ถ้าฉันไม่สามารถจะร่วมทางไปกับคณะได้ไม่ว่าจะในโอกาสไหน ทุกคนไม่ต้องหยุดรอทิ้งชั้นได้เลยเสียงของหลอนฉะฉานชัดเจนความทิฏฐิหัวรั้นของหลอนแม้ขนาดพี่ชายเองก็ยังไม่กล้าขวางแล้วใครจะขวางได้ระพินไพรวันย่อมตระหนักดีดารินวราลิศไม่ต้องการให้ใครพิจารณาว่าหลอนเป็นคนอ่อนแอไม่ต้องการให้ใครนับเอาว่าหลอนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในคณะเดินทางนี้ มันก่อจุดเริ่มต้นก็ด้วยการพยายามห้ามปรามขัดขวางของเขาก่อนนั่นเองอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ร่วมเหตุการณ์กันมาเขาก็ยอมแพ้ยอมรับนับถือแล้วในเรื่องความทิฐิจนสุดใจขาดดิ้นของหลอนมันแสดงถึงหัวใจแอนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเกินหญิงซึ่งบางขณะมันก็ค้านกับเพศและกําลังกายของหลอนเองแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอนคานึงเมื่อแรกเขาก็อยากจะดูริดหลอนเหมือนกันว่าจะไปสักแค่ไหน แต่เดี๋ยวนี้ประจากชัดแล้วลาจะสะกุลสาวผู้นี้มั่นคงต่อทิฏฐิของรอนจริงๆยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุรู้ชัดการเสียเช่นนี้แทนที่จะคิดลองดีเหมือนแต่ก่อนระพินก็มีแต่ความสงสารเขาจะไม่ทําอะไรเป็นการยุ่วทิฐิของรอนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะเป็นภัยมาสู่ตัวรอนเองเช่นนี้บรานดีอีกครึ่งถ้วยจนหน้าเป็นสีชมพูแก่ หม่อมละโชงสาวคนสวยก็ผุดลุกขึ้นยืนสะบัดขาอันชาเป็นตะคิวไปหมดพอเลือดฉีดแรงไปทั่วร่างกำลังของหล่อนก็เริ่มกลับคืนมาหันมาทางพี่ชายและพรานใหญ่ผู้นั่งพักสนทนากันอยู่เบาๆพูดขึ้นลอยๆว่าโอเคเรียบร้อยเดินต่อการหรือยังละ่ะอย่าเสียเวลาเลยคุณหญิงแข็งแรงแล้วแต่พวกเรายังเหนื่อยอยู่เลยครับแล้วผินผู้สีหน้าเรียบๆซ่อนยิ้ม เพราะฉะนั้นขออนุญาตนั่งพักอีกสักสิบนาทีมันคงไม่ทำให้เสียเวลามากไปนักดีเหมือนกันขาทั้งสองข้างของฉันก็นล้าไปหมดแล้วขอนอนแผ่อีกสักเดี๋ยวเหอะชา ย, ยันสนับสนุนมาขณะที่นอนหลับตากางมือกางเท้าพี่ก็เต็มกลืนเหมือนกันเชิดถางอ่เข่าเข้ามาใช้มือตัวเองบีบนวดถ้ามันสูงกว่านี้อีกนิดเดียวเห็นที่จะร่วงลงไปแน่ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วขาวลังหาทางเดินให้มันสบายกว่านี้ดีกว่าแม้จะอ้อมหน่อยก็ยังดีประโยคหลังเขาหันไปพูดยิ้มๆกับจอมพรานแต่ละเพียย่อมทราบดีว่าทั้งเชษฐาและชายยานพยายามพูดได้สอดคล้องกับเขาเพื่อเอาใจดารินนั่นเองเพราะทั้งสองชายย่อมจะซึมทราบในนิสัยของรอนดีอยู่แล้วพรานใหญ่รอบสารวจดูบุคคลทั้ง3าอย่างชื่นชมอยู่เงียบ ทั้งสามคนรักสนิทสนมกลมเกลียวกันดียิ่งอย่างน่าชื่นใจ